มีใครไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อเลยมีไหมมีไหมเอ่ ย, ม, ม, ยมีใครไม่เคยฟังเลยั้ยไม่มีเลยนะคนทันสมัย <c oughs> ยุคนี้ไม่มีใครหาคนที่เข้าวัดแล้วไม่ได้ฟังหายากนะจกหายากแนละ้วสำนักครูบาอาจารย์หลายแห่งท่านก็คัพปี้แจกธรรมาที่พระเจ้าสอนไม่ยาก ยากตรงไปตรงมามากเลยเปิดเผยแต่มันมีสำนวนบาลีอันบอกว่าคนตาดีก็มองเห็นได้ของเปิดเผยอยู่ต่อหน้าต่อ ต, อตาแต่ตาดีก็มองเห็นตาไม่ดีก็มองไม่เห็นก็ช่วยไม่ได้เรามาพัฒนาตาของเราอย่างควนทัญญะทีแรกก็ไม่มีตา เมื่อพัฒนาจนมีดวงตาขึ้นมาก็เห็นธรรมะธรรมะมันอยู่ต่อหน้าต่อตา อ, อยู่แล้วไม่เคยหายไปไหนไหธรรมะมีสองส่วนนะธรรมะที่ยังเป็นความปรุงแต่งและธรรมะที่พ้นจากความปรุงแต่งธรรมะทั้งสองอย่างนี้แสดงอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นนะคนทั่วๆไปนะไม่เห็นทั้งสองอย่างเลยแต่ทั่งธรรมะที่กําลังปรุงแต่งอยู่ก็ไม่เห็น อย่างความแก่ความเจ็บความตายแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาก็ไม่เคยเห็นความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการเจอสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนามีอยู่ในชีวิตอยู่ตลอดนะแต่ไม่เคยเห็นไม่ดูความทุกข์มีอยู่ตลอดแต่ไม่เคยดูไม่เคยเห็นทำไม่รู้ไม่ชี้ทำลืมลืมมันไปนี่คนที่ไม่เคยภาวนาคนภาวนาเราก็มาเห็นสภาวธรรม ที่อยู่ต่อหน้าต่อตาเราเป็นสภาวะธรรมฝ่ายปรุงแต่งเบื้องต้นเราเห็นสภาวะธรรมฝ่ายปรุงแต่งที่เป็นโลกิยะธรรมะปรุงแต่งมีสองส่วนนะส่วนที่เป็นโลกิยะกับส่วนที่เป็นโลกุตตะระโลกุตตระไม่ใช่พ้นความปรุงแต่งทั้งหมดตัวมรกตัวผล ย, ยังปรุงอยู่ยังมีเหตุมีผลอยู่ตัวมร์เป็นเหตุตัวผลเป็นผล ยังเป็นความปรุงอยู่เพราะงั้นเวลาอาริยามรรคเกิดนะเกิดแล้วก็ดับเป็นของเกิดแล้วดับอีกเป็นโลกุตตะระที่ยังแปรปรวนเกิดดับอีกอริยผลเกิดขึ้นมาสองสาขนาดก็ดับเพระงั้นขนาดโลกุตะระนะโลกุตะระบางอย่างยังเกิดดับอยู่เนี่ยธรรมะฝ่ายปรุงแต่งยังเกิดดับอยู่นะขนาดขึ้นไปถึงโลกุตตะระนี่ยยังหนีความเกิดดับไม่ได้ ก็ถือว่าพ้นความปรุงแต่งไปแล้วแต่ว่าจริงๆมันก็ยังเป็นสิ่งที่ยังเกิดดับเยอะสิ่งที่พ้นความเกิดดับมีอย่างเดียวคือพระ น, นิพพานนะี่เราหันใหม่ๆเราไม่เห็นนิพพานหรอกกระทั่งเห็นมรรคผลเรายังไม่เห็นเลยนะก็ภาวนากันแลาปีบางคนหลายๆปีก็เห็นมรรคเห็นผลขึ้นมานะเห็นทีแรกก็จําไม่ได้บางคนเคยเห็นมาแต่ชาติก่อนนะเคยเห็นมาชาติก่อน เคยได้โซดาสกทาคาอะไรเงี้ยกลับมาเกิดอีกลืมไปพอมาภาวนาแล้วของเก่ามันกลับมาอย่างรวดเร็วเลยบางคนภาวนาง่ายาคนภาวนายากนี่คนส่วนใหญ่นะยังเห็นธรรมะที่ปรุงแต่งนะได้เฉพาะในส่วนที่เป็นโลกิยะมีส่วนน้อยเราต้องเป็นพระริยาตุเยธรรมะที่เห็นสังคตะธรรมนะที่เป็นโลกุตระ มีสังคตะก็อสังคตะสังคตะนี่ยังแยกนะเป็นโลกิยาก็มีเป็นโลกุตระก็มีพวกเราไม่เห็นสังคตะที่เป็นโลกุตระส่วนใหญ่ไม่เห็นยังเป็นปุถุชนอยู่ยิ่งนิพพานอาสังคตะก็ยิ่งไม่เคยเห็นเลยเราจะเห็นนิพพานซึ่งเป็นอสังคตะครั้งแรกตอนได้โสดาเป็นพระโสดาบันก็เห็น เห็นแว บ, บเดียวท่านเองส่วนใหญ่เห็นแล้วยังทรงไว้ไม่อยู่นะทรงจาไว้ไม่ได้เวลาจะกลับเข้ามาทําพารสมบัติเข้าสมาธิที่ใช้นิพานเป็นอารมณ์เนี่ยอยู่ๆมนัสสิการนึกถึงนิพานเลยไม่เห็นนะ่ะต้องไปดูรูปนามไหมไปรู้รูป ร, รู้นามเห็นใจรักของรูปนามแล้วจิตวางรูปนามก็ไปเห็นอีกอยังไม่เหมือนอย่างพระละหันท่านมนัสสิการถึงนิพานท่านก็เห็นเลย เมื่อเรายังไม่เห็นธรรมะฝ่ายโลคุตตะเราก็ดูธรรมะฝ่ายโลกิยะสมบัติเรามีอยู่อย่างเนี้ยนะเราก็เรียนรู้จากสิ่งที่เรามีนี่แหละไม่ไปเรียนรู้ของที่ไม่มีนะความปรุงแต่งที่เรามีอยู่นั่นก็คือรูปธรรมกับ น, นามธรรมาการเรียนรู้รูปธรรมนามธรรมานะเรียนได้หลายแง่หลายมุมบางท่านก็เรียนรู้ในแง่ของขันห้า ขันหมีรูปอยู่หนึ่งมีนามอยู่4มีรูปธรรมนามธรรมบางท่านก็เรียนในแง่มุมของอายตนะหกล้วนแต่เรื่องแยกรูปแยกนามทั้งสิ้นอะอายตนะหกก็มีรูปอยู่5มีนามอยู่หนึ่งคือใจตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปมีธาตุสิอันนี้มีทั้งรูปทั้งนามเยอะแยะเลยไม่เฉพาะขันอายตนะธาต จะทำให้ปั ส, สนาเห็นรูปเห็นนามแยกรูปแยกนามดูรูปดูนามยังดูได้อีกหลายแบบนะจริงๆดูได้ทั้งหมดเลย6แบบเรามาแยกสิ่งที่ตัวเรียกว่าตัวเราออกเป็นขันก็ได้พอแยกเป็นขันแล้วแต่ละขันก็ไม่ใช่ตัวเราแต่ละขันเป็นตัวทุกข์แยกเป็นอายตนะก็ได้นะแต่ละอายตนะไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวทุก์ แยกเป็นาธาตุก็ได้แต่ละาธตาตุไม่ใช่ตัวเราแตนะ่เป็นตัวทุกนะแยกเป็นอินทรีย์ยี่สิบสองอย่างก็ได้อินทรีย์ยี่สิบสองอย่างก็เป็นรูปนามอีกแหละก็เห็นแต่ละอินทรีย์แต่ละอันแต่ละอันนะไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวทุกตาเป็นตัวทุกหูเป็นตัวทุกขหนึ่งนะดูอริยสัจสี่ก็ได้ อริยสัต4ดูเป็นปฏิจจสมุปบาทก็ได้งั้นอย่างเวลาเราเดินวิปั ส, สนาแท้ๆนะบางทีเราไม่ได้เห็นเฉพาะตัวรูปนามเราเห็นกระบวนการทำงานของมันที่เป็นปฏิจจสมุปบาทด้วยสิ่งนี้เรียกว่าวิปั ส, สนาภูมิภูมิของวิปั ส, สนาก็มีขันมียายตนะมีธาตุมีอินทรีย์มีอริยศาสตร์มีปฏิจจสมุปบาท ดูระยะสัตว์ดูไงก็ดูไปมีความอยากเมื่อไร่ก็มีความทุกข์เมื่อนั้นดูอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เห็นอีกความอยากก็เกิดเองนะสั่งไม่ได้หรอกความอยากเกิดนะใจก็ดิ้นรนทํางานความทุกข์ก็เกิดดูปฏิจจสุบัทที่แรกก็จะเห็นแต่ท่อนปลายท่อนต้นไม่เห็นเราก็จะเห็นเลยพรตามมองเห็นรูปนีความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นความรู้สึกเฉยเฉยเกิดขึ้นอะไรเงี้ย ความรู้สึกใดๆเกิด น, นะกิเลสมักจะแทรกความสุขเกิดราคะก็แทรกความทุกข์เกิดโทสะก็แทรกอุเบกขาเกิดนะไม่รู้ยาอะไรดีก็งงๆหลงๆฟุ้งๆไปโมหนะเอาไปกินอีกกิเลแสแทรกก็เกิดความอยากขึ้นอยากไปตามอำนาจกิเลสนะอยากอยากมีอยากเป็นนะ อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากไม่มีอยากไม่เป็นมีตัณหาเกิดขึ้นใจก็เข้าไปหยิบเวยไปยึดถือในรูปธรรมนามธรรมขึ้นมาดิ้นรนปรุงแต่งไปตรงที่ดิ้นรนปรงแต่งนะใจมัน ต, ตะครุบอารมณ์ตรงที่มันเข้าไปตะครุบอารมณ์นี้เรียกวูปราทานนะจิตมันเข้าไปจับพวกเราเคยเห็นจิตวางจิตไหม ใครเคยเห็นจิตที่ปล่อยวางจิตแต่มันจะวางชั่วคราวแล้วไปตะครุบใหม่ใครมียกมือซิมีบ้างไหมมีคนเดียวนึเก่ ง, งเห็นยากนะจึงจิตวางจิตนะส่วนใหญ่ปุถุชนไม่เห็นนะพนะระปรารยะเห็นจิตวางจิตได้เป็นคราวๆแต่วางแล้วไปหยิบเอามาใหม่ทาไมไปหยิบมาใหม่ไม่รู้ ไม่รู้ไม่มีจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าจิตเป็นตัวทุกข์ก็เลยไปหยิบเฉวยขึ้นมาอีกตรงที่ไปหยิบไปเฉวยขึ้นมานะไปได้มาซึ่งตาหูจมูกลินก้นกายใจเรียกว่าชาติไปหยิบเอาจิตขึ้นมาเนี่ยชาติก็เกิดแล้วทันทีที่ไปหยิบจิตขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดทันทีที่หยิบรู้สึกไหมพวกเราจะไม่รู้สึกคนซึ่งไม่เคยปล่อยวางจิตนะ จะไม่รู้สึกเราว่าการถือจิตอยู่ยึดถือจิตอยู่แล้วเป็นทุกข์ไม่เคยเห็นแต่ถ้าเคยวางสักครั้งหนึ่งนะจะรู้เลยว่าการี่หยิบช่วยจิตขึ้นมานั้นเป็นทุกข์พวกเราใครเคยจิตแยกกับกายได้บ้างลกยกมือสอิจิตวางกายวางชั่วคราวนะเดี๋ยวก็ไปตะครุบใหม่ยกใหม่ยกใหม่ยกให้ชัดๆเห็นไหมมาถึงจุดนี้ง่ายกว่ากันเยอะเลยใช่ไหมมันวางกายก่อนนะแล้ววางจิตทีหลัง ตรงวางกายสังเกตไหมแต่เดิมเรามีกายอยู่เราไม่รู้สึกทุกข์เท่าไหรอ่อ่ะแต่ตรงที่จิตมันพลากออกจากกายมาแล้วแล้วพอมันกลับเข้าไปจับกายรู้สึกไหมมันทุกข์ของเคยทุกข์อยู่จนชินนะไม่รู้ไม่เห็นหรอกว่าทุกข์ถ้าเมื่อไรใจพลากออกจากกองทุกข์นั้นมาแล้วนะแล้วกหวนกลับเข้าไปจับนะจะรู้สึกว่าทุกข์ยกตัวอย่างนะสมมติบ้านเราอยู่ริมคลองในกทม คลองมกักจะน้ำเน่าสมัยก่อนเดีย๋ยวนี้เน่าไหมหลวงพ่อไม่รู้เราไม่เข้าไปริมคลองนานเมื่อก่อนเข้าไปใกล้ๆก็เหม็นหึ่งเลยนะเหม็น mm. ถ้าเราบ้านอยู่ริมคลองน้ําเน่าไม่ค่อยเหม็นเท่าไหรอ่อ่ะหรือสับ ป, ปะเลออยู่กระสอบนะหรือที่สถาบันนิติเวชอะไรที่อังรีดูนังอนะไรน่ะอุยศพน้ํากลิ่นเนาะโหสุดๆเลย เราเห็นเข้าไปเดินเนาะเขาเดินกันหน้าตาเฉยเลยเขาอยู่กันในลยนะคุยกันจ้อยเลยนั่งซดต้ดกินกันสบายเลยนะกินไอติมกินส้มตำกินเลยกินกันได้เนาะเราเข้าไปจะวักแตกวักแตนทําไมเขาไม่ทุกอ่ะเพราะเขาชินบ้านอยู่ริมคลองน้ําเน่าชินกับกลิ่นน้ําเน่าเขาไม่ไม่ทุกเท่าไหร่ บ้านอยู่ใกล้โรงงานมีใครอยู่ใกล้โรงงานเสียงดังๆอย่างวัดหนองเหลิงอยู่ใกล้โรงงานเหล็กน่ะครงครามทั้งคืนนโครงครามดังอยู่ไปนานๆก็ชินไม่ทุกข์ว่นะเนาะอยู่ในสถาบันนิติเวชใต้กลิ่นศพเรื่อยๆชินไม่ทุกข์เท่าไหร่เคยอยู่มานานต่อมาย้ายบ้านไม่ได้อยู่ริมคลองน้ําเน่าแล้วเนะี่ยมาอยู่ต่างจังหวัดอากาศดีริมทะเล ไม่มีโรงงานหายใจสดชื่นเข้ากรุงเทพเนี่ยยังไม่ทันจะถึงคลองน้ำเน่าก็เหม็นแล้วคนกรุงเทพเนี่ยเหม็นที่สุดเลยหลวาพคนบ้านนอกนะบอกได้เลยคนกรุงเทพนะอบร่ำด้วยกลิ่นสโสกปลกมากมายทำหน้าเย้เกเลยรู้สึกไหมเหม็นไม่เหม็นนะ่ะเทวดาบอกมนุษย์เหม็นต้องร้อยโยต์ร้อยโยตหนึ่งันหกร้อยกิโลเมตร งั้นเทวดาจะเข้าประทับทรงคนไหมอ้วกแตกเลยครัเข้าไม่ได้หรอกพวกเราก็เหมือนกันจิตของพวกเราเคยยึดถือขันอยู่นะจิตที่เคยแบกขันอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นทุกหรอกแต่ถ้าเราภาวนานะจิตมีสติสมาธิปัญญาแก่กล้าเป็นลําดับลําดับไปเข้าวางเป็นคราวๆเบื้องต้นจะวางของหยาบวางกายก่อน แราเห็นกายแยกออกไปต่หากนะจิตอยู่ต่างหากจิตไม่ไปหยิบเวยกายขึ้นมาไหมจิตโล่งขึ้นไปเยอะเลยรู้สึกไหมเวลาวางกายลงไปนะมันปล่อยออกไปแล้วมันโลง่งใช่ไหมหรือวางอารมณ์เวลาอารมณ์ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นก้อนเลยจิตเข้าไปจับไอ้ที่ก้อนที่กลางหน้าอกเนี่ยรู้สึกไหมมันหนักรู้สึกไหมมันทุกข์คนในโลกมันก็จับไอ้ก้อนนี้อยู่นะแล้วบางคนก้อนนี้ใหญ่มากเลยใครรู้จักโครกตำข้าวบ้าง อันใหญ่ใหญ่เงี้ยโอ้ก้อนมันหนักขนาดนั้นนะบางคนบางคนคนหนักกว่านั้นอีกพวกกิเลสหนาหนะหนักอึดเลยนะแต่มันไม่ไม่เป็นไรมันทนได้ไม่รู้สึกต่อมาพอนาพอนาไปนะเห็นเลยจิตเข้าไปจับในกายว่ทุกข์นะมีภาระเกิดขึ้นจิตเข้าไปจับความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งนเป็นก้อนแน่นๆขึ้นมาจิตก็มีภาระมีความทุกข์เกิดขึ้นนะ เหมือนที่พระเจ้าสอนในภาราเวปัญจขันธ์าขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระคนทั้งหลายนั่นแบกภาระพาไปก็ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระอริยะเจ้าทั้งหลายวางภาระลงแ ล, แล้วแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาใหม่ก็เลยพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนี่เราภาวนาไปเรื่อยนะต่อไปเราจะเห็นโอ้เราอยู่กับทุกข์แท้ๆนะการที่จิตยังหยิบฉวยอารมณ์อยู่ยังยึดถืออารมณ์อยู่จะเป็นรูปธรรมคือกายนี้ก็ตามนามธรรมาคือความรู้สึกทั้งหลายก็ตาม เป็นของหนักเป็นภาระใหญ่หลวงเนี่ยใจจะเอื่มระอาอยากจะพ้นไปแต่จะพ้นอะไรอยากพ้นจากรูปธรรมนา ม, มาทำทั้งหลายที่ปรุงขึ้นมานี่หรือจะพ้นได้ยังไงหนีไปอยู่วัดก็เอาร่างกายไปเอาไอ้ก้อนหนักๆ น, นี้ตามไปได้ในใจก้อนหนักๆในใจร่างกายก็เป็นก้อนหนักๆที่เป็นรูปธรรมในจิตใจเราก็มีความปรุงแต่งเป็นก้อนหนักๆขึ้นในใจจะหนีไปไหนมันก็ไปกับเราด้วยนะ แต่ทั้งข้ามพบข้ามชาติไปเป็นพระพล่มนะ mm hmm. ก็เอาไปด้วยนะ mm hmm. เป็นเทวดาม mm hmm. ก็เอาขันห้าไปด้วย mm hmm. ก็ตัวขันนั่นแหละตัวทุกข์แสนสาหัส mm hmm. บางคนก็เลยหาทางหนีทำเป็นไม่รับรู้น้อมจิตไปอยู่ความว่างไปความไม่มีอะไรน้อมจิตให้มันหนีไปบางคนก็ลึกกว่านั้นอีกดับความรู้สึกไปหมดเลยไม่มีจิตอย่างนี้พลมลูกฟัก พวกน้อมจิตหนีไปหาความว่างหาอะไรนะจะได้ไม่ไม่เห็นรูปธรรมนามธรรม ท, ที่มันเป็นทุกข์เป็นก้อนหนักพวกนี้หนีไปอรูปนะพวกหนึ่งก็เลือนลางนะความรู้สึกเรือนลางเกือบจะไม่มีเลยนี่ก็เป็นอรูปอีกชนิดหนึ่งชื่อเนวสัญญาคนก็หนีไปอยู่ในความว่างชื่ออากาสานานใจยตนาะคนไปอยู่กับความไม่มีอะไรเรื่ออากินจัญญายตนะ บางคนไปจับเอาตัวผู้รู้ไว้เฉยอยู่กับตัวผู้รู้เฉยๆเป็นวิญญาณัญจายตนะนี่เป็นทางหนีทั้งหมดเลยหนีจากกองทุกข์ไม่ใช่วิธีที่จะพ้นทุกข์ได้พอหมดแรงหนีเมืนะ่อไหร่นะขันห้ามก็กลับมาเต็มๆอีกอย่างเดิมก็ ม, มาแบกต่อก็ทุกต่ออีกพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้สอนให้เรานีขันห้าเขาไปไหนเราก็ต้องแบกขันห้าไปด้วยท่านสอนให้เราเรียนรู้มันถ้าเรารู้อย่างแจม่มแจ้งนะว่ามันเป็นตัวทุกข์ ถ้ารู้แจ่มแจ้งนะว่ามันเป็นตัวทุกข์จิตจะวางขันห้าของจิตเองเขาวางของเขาเองนะเริ่มต้นมันจะวางของหยาบก่อนมันจะวางกายได้ตรงที่มันไม่ยึดถือกายนะไม่ใช่วางแล้วก็หยิบวางแล้วก็หยิบมันยังไม่พ้นนะแต่คนที่วางแล้วไม่หยิบขึ้นมาอีกล่ะคือพระอนาคามนะีท่านวางกายแล้วท่านจะไม่ไปหยิบใหม่อีก จิต ท, ท่านจะเด่นดวงสว่างสวัยอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะนานๆมองๆได้สว่างสวัยก็อยู่ไม่เกินเจ็วันนะมีมองๆนิดหน่อยว่ามองๆนิดหน่อยฟุ้งนิดๆขึ้นมานะจะไปพิจารณาธรรมะใจฟุ้งนิดๆฟุ้งไปไหนฟุ้งไปในกามหรือไม่ได้ฟุ้งในกามแต่ฟุ้งในธรรมนะพระนาคามีมีความฟุ้งสั้นไหมออมีแต่เป็นความฟุ้งสั้นในธรรมะนะเป็นสังโยชน์เลย ลำพังอย่างพวกเราก็มีความฟุ้งซ่านแต่เป็นนิวรณ์ไม่ใช่สังโยชน์เป็นอุทธัจจานิวรณ์ฟุ้งซ่านไปในกามฟุ้งไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายนะพระนาคาท่านฟุ้งไปในธรรมสแสวงหาทางพ้นทุกข์ว่าทำไงจะพ้นทำไงจะพ้นทําอย่างนี้ก็ไม่พ้นทำอย่างนี้ก็ไม่พ้นนะดิ้นไปเร่อยจนวันหนึ่งหมดแรงดิ้นเ น, นะคือท่านหาวิธีที่จะปล่อยวางจิตนะ่ะ ถ้าปล่อยวางจิตได้ก็ยังมีหลายระดับนะอย่างพอวางกายไปแล้วเข้ามาอยู่ที่จิตแล้วพวกหนึ่งสงวนรักษาจิตไม่ยอมปล่อยหรอกคิดว่ารักษาไปด้วยแล้วดีนี่แหละทางพ้นทุกข์ท่านเหล่านี้คิดว่าพอได้อนาคานะจะสําคัญว่าเป็นพระอรหันต์ได้นะจะสําคัญผิดเนละคิดว่ามันหมดทางไปแล้วนี่หลวงปู่ดุลั่ท่านเล่าให้ฟังวันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านนะท่านก็เผลอๆขึ้นมา บอกนักปฏิบัติที่ว่ามีชื่อเสียงหน้าส่วนใหญ่ก็เป็นผีใหญ่ท่านพูดอย่างนี้นะเราฟังแล้วก็โอ้ผีใหญ่เป็นไงว่า <c oughs> ไปถามพวกปลาที่อยู่กับท่านนะหมายถึงไปได้อนาคาไปเป็นปรอมท้านเรียกปรมว่าผีใหญ่ปรมอนาคาเนี่ยถ้าพรอมทั่วทั่วไปก็คงผีธรรมดาไม่ใช่ผีใหญ่ เนี่ยพวกหนึ่งนจะไปตันอยู่ไม่รู้ว่าต้องไปต่อพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะอบรมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรของตอนเองไปเรื่อยๆแต่ไม่ตัดเวลาตายนะไปพรหมโลกไม่ใช่พระอนาคามีทุกองค์ไปสุทธาวสานะเมื่อเราอยามโมเมการไปสุดธาวสามีเงื่อนไขต้องได้ฌานสี ต้องมีอินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่งแก่กล้าศรัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาอันใดหนึ่งแก่กล้าแล้วไปเกิดในสุทธาวาสทั้งห้าชั้นตามความแก่กล้าของอินทรีย์แต่ถ้าผ้านาคาวนั้นได้แค่ปฐมฌานอาจจะเป็นพรหมชั้นล่างเลยเขาเรียกพรหมปาริสัจชาเป็นพรหมชั้นล่างสุดเลยเป็นพรหมบริหวาน เป็นบริษัทเป็นบริวาราริสัทชาต่อมาก็แน่ขึ้นมาหน่อยนะเป็นหัวหน้าของบริวาพรพลมปุโรหิตาแล้วเป็นหัวโจกของพรมในชั้นปฐมฌานะชื่อมหาพรมมาเคยได้ยินไหมเท้ามหาพรมเราก็นึกว่าพรมทั้งหมดเรียกว่ามหาพรมไม่ใช่เท้ามหาพรมนี้เป็นพลมในภูมิชั้นที่สามแ ชั้นที่สเสร็จไปด้วยปฐมฌานมีกําลังกล้าเงี้ยพระนาคานะตายไปอาจจะตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งเลยแต่ไม่ไปผรมลูกฟักรพระโพธิสัตว์จะไม่ไปเป็นผอมลูกฟักรพระโพธิสัตว์จะไม่ไปเกิดในภูมิของผรมลูกฟักไม่ไปเกิดในภูมิของสุทธาวาสถ้าถ้าไปเกิดสุดทธาวาสจะต้องนิพพานในสุทธาวาสไม่กลับมาภูมิมื่นแล้ว ลงอเวจียังได้แต่ไม่เป็นพรหมลูกฟักพวกเรารุ่นหลังนล้วมาภาวนามุ่งไปเป็นพรหมลูกฟักก็มีนะพานาจนดับจิตลงไปหมดความรู้สึกเลยจิตดับจิตดับเหลือแต่ร่างกายนั่งตัวแข็งๆอยู่ไม่มีความรู้สึกเลยอันนั้นเป็นภูมิของพรหมลูกฟักชาวพุทธส่วนใหญ่จะไม่เอาเสียเวลาเพราะไม่ได้สร้างบุญบารมีอะไรเลยไปนั่งทื่ทอๆอยู่ น, นั่นเองเสียเวลาเปล่าๆ นี่พวกเราค่อยๆภาวนาค่อยภาว น, นาไปเบื้องต้นเราจะเห็นความจริงของรูปธรรมว่ามันเป็นตัวทุกข์แท้ๆถ้าเห็นความจริงของรูปธรรมว่าเป็นตัวทุกข์แท้ๆมันจะวางรูปธรรมลงไปไม่ยึดถือกายมันจะไม่มีแล้วไอ้ประเภทยึดๆอย่างนี้ไม่มีนะของพวกเรามีใช่ไหมยังมีอยู่จจะมีอย่างนี้อย่างนี้นะพวกเช็ดกระจก เช็ดกระจกว่าฝุ่นมาแล้วปัดปัดปัดน่ามานี่อีกล่ะปัดเนี่ยทัวว่วไปนาคาใครเคยอ่านสูตรของไวหลังใครอ่านใครเคยอ่านไหมสูตรของไวหลังมีสื่อเฮียของไวหลังนะชื่อชินเฉาเขียนธรรมะบอกจิตเหมือนกระจกเงาใสเห็นไหมกิเลสเป็นขี้ฝุ่นมาเกาะให้คอยปัดกระจกอันนี้เป็นภูมิของอะไร ถ้าฟังแล้วเรารู้ไหมเป็นภูมิอะไรถ้าเป็นพระอริยะนะภูมิพระอนาคาาไม่เกินนั้นหรอกนะเวไหร่หลังไม่มีกระจกไม่มีกระจกเพราะอะไรท่านปล่อยวางจิตแต่ท่านไปด้วยความคิดนะจิตยังปล่อยไม่ได้ทั้งคู่หละคนนึงบอกว่าปล่อยวางกายได้รักษาจิตเอาไว้ให้ดีไม่ให้ขี้ฝุ่นจับยังทําไม่ได้หรอกท่านเวไหรหลังก็ไปพูดถึงว่าปล่อยกระจกทิ้งไปนะ พูดว่าปล่อยวางจิตแต่ยังทําไม่ได้หรอกปัญญาเนี่ยล้าไปอาจารย์มาเห็นนะอาจารย์เอารองเท้าลบสโลกที่ท่านไว้หลังเขียนเอารองเท้าลบนะไม่เอามือลบด้วยถือเหยียดหยามตบตบหน้าเชาะนี่ตบทิ้งสามนิ้วเชาะไว้หลังยี้มเลยใครๆก็หัวร้อเยาะ ก็โดนอาจารย์ตบนี่เขียนธรรมะบ้าๆบอๆแข่งกับท่านชินเชานแกลยิ้มเพราะอาจารย์นัดนัดพบนละ้เนี่ยกลางคืนแล้วย่องไปหาอาจารย์อาจารย์เทศให้ฟังแล้วเข้าใจธรรมะที่แท้จริงขึ้นมาแล้วก็หนีเลยอยู่ไม่ได้ในวงกรรมฐานพวกขี้ฉายเยอะอยู่ไม่ได้เดี๋ยวฆ่าตายท่านต้องหนีลงมาทางภาคใต้ นี่นะการภาวนานะเราต้องเห็นความจริงของาธาตุของขันเมื่อเราเห็นความจริงของาธาตุของขันอย่างแจ่มแจ้งเราจะรู้เลยธาตุขันทั้งหลายมีแต่ตัวทุกข์เบื้องต้นจะเห็นกลายเป็นทุกข์ก่อนพอมันเห็นว่ามันเป็นทุกข์แท้ๆม่ไม่ยึดถือกายวางแล้ววางเลยไม่ใช่วางแล้วหยิบอีกนะพวกเราภาวนานะมันจะวางแล้วก็หยิบวางก็หยิบอยู่อย่างนี้วันนี้วางวันนี้หยิบส่วนใหญ่ไม่เป็นงั้นด้วยวางประเดี๋ยวเดียวก็หยิบอีกละรู้สึกไหม ใครเคยเห็นวันหนึ่งวางวางหยิบหยิบหลายทีเห็นไหมมันหรือความรู้สึกแน่นๆนะ่ะจิตเข้าไปรวมกับความรู้สึกบ้างแยกออกบ้างรู้สึกไหมปลุกปลุกโปรโผอยู่กันนะวางไม่ได้จริงทําไมวางไม่ได้จริงมัน อ, ไอาไลอาวรนมันอาไลอาวรนในกายนะมันก็ยังกลับมาจับกายอยู่มันยังอาไลอาวรนในความรู้สึกทั้งหลายนะที่มันปลุงขึ้นมาเนี่ยยิบหยิบยับยัปลุงขึ้นมานะอาไลอาวอนก็จะเข้าไปจับอีก ตอนเมื่อปัญญาแจ้งนะว่ากายนี้ก็ทุกขรนะุนรุนนะนํามาทําทั้งหลายที่ปรุงขึ้นมาก็ทุกขรุนรนก็จะวางเข้ามาที่จิตต่อไปสติปัญญาแก่กล้าพอนะเห็นว่าจิตก็ทุกรุนรนนะถึงจะวางจิตได้วางแล้วไม่หยิบอีกเมมีพระมาส่งกันบ้านเข้าพรรษาแล้วไม่กี่วันก็มีพระมาส่งกันบ้า น, า น, านะานานนะภาวนาวางจิตลงไปแล้วมันก็หยิบอีกหยิบหยิบวางวางอยู่อย่างเงี้ย น, นะทํายังไงจะวางได้สักทีนะ บอกมันไม่หวังบอกมันไม่พอมันไม่พอปัญญาไม่พอไม่เห็นทุกเห็นไหมการที่เห็นทุกนะรู้ว่าขันห้าเป็นทุกนั่นแหละการรู้อริยสัจนะที่ว่าทุกให้รู้ทุกให้รู้เนี่ยเดินปัญญานะภาวนาไม่ใช่แค่เห็นรูปเห็นนามนะเห็นรูปเห็นนามเกิดดับไปก็ใช้ได้เห็นขันห้าเกิดดับใช้ได้เห็น อาัตนะเกิดดับใช้ได้เห็นธาตุเกิดดับใช้ได้เห็นอินทรีย์เกิดดับเพื่อใช้ได้เลยเห็นการทํางานของอริยสัตว์ก็ใช้ได้เห็นปฏิจจสุบัทก็ใช้ได้สิ่งเหล่านี้มันจะช่วยถอดถอนความเห็นผิดว่ารูปนามทั้งหลายเป็นตัวเป็นตนพอถอดถอนความเห็นผิดแล้วพาวนาต่อไปก็จะเห็นรูปนามทั้งหลายเป็นทุกข์บางคนเห็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันมีแล้วมันไม่มีนะ มันไม่เคยมีมันก็เกิดมีขึ้นมาเนี่ยอย่างใจเราเคยสบายสบายอยู่่กิเลสเกิดขึ้นมานี่มันไม่เที่ยงนะมันมันไม่เคยมีแล้วมันเกิดมีขึ้นมาหรือมันเคยมีแล้วมันหายไปยังมีความสุขอยู่แล้วมันหายไปนี่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมีความทุกข์แล้วมันหายไปมันก็ไม่เที่ยงนะแต่ถ้าความทุกข์หายไปเราไปหลงดีใจต่อถ้าความสุขหายไปเราก็เสียใจต่อใจมันก็ปรุงต่อ เข้ารู้ของจริงลงไปรู้ลงไปในในรูปในนามนี่แหล ะ, ะใครถนัดมองในมุมของขันห้าก็ดูขันหเรื่อยไปใครถนัดในมุมของอายตนะหตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดูไปใครถนัดเรื่องของาธาตุก็ดูไปใครถนัดเรื่องอินทรียร์ก็ดูไปใครถนัดเรื่องอริยสัจก็ดูไปใครถนัดปฏิจจสมบาทก็ดูไปแต่ดูก็จะเห็นท่อนท้ายก่อน จะเห็นตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบอารมณ์แต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมาได้ไงมองไม่เห็นะนะสติปัญญาไม่พอตอนที่เห็นวิญญาณหยั่งลงไปแล้วเกิดรูปนามนะแล้วก็รูปนามมีขึ้นมานะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เลยทํางานขึ้นมาได้ยังไม่เห็นนะค่อยภาวนาไปแล้วค่อยเห็นนะเห็นตอนท้ายนะ่จะไปเห็นอริยสัจนั่นะหละจะทำเห็นอริยสัจเมื่อไหร่ก็ทําลายอวิชามันนะั้นะนะ งนเห็นเวลาเห็นอริยสัจเห็นปฏิจจสุบาตินะมันเห็นไปด้วยกันเนะงั้นภาวนานะหัดรู้สึกตัวอย่าใจลอยแล้วก็รู้รูป ร, รู้นามของเราไปไม่เทียงกันว่าวิธีไหนดีกว่าวิธีไหนพุทธเจ้าสอนไม่ตั้งเยอะถ้ามานั่งเถียงมันต้องพูดโทพิจารณากายถึงจะดีพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดประโยคนี้ธรมานาปันสติถึงจะดี พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยสอนอย่างนี้นะเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าดูท้องผ่องยกเท่านั้นถึงจะดีแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยสอนอย่างนี้เราอย่าเรียนเกินพระพุเจ้าอย่าไปตัดธรรมะของท่านทิ้งนะชาวพุทธเราอาภับไงก็ไม่รู้ชอบตัดธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนออกนะแล้วชอบแต่งธรรมะขึ้นมาแทนน่ากลัวที่สุดเลยเราซื่อตรงในการเรียนธรรมะรู้รูป ร, รู้นามไป ดูลงไปเรื่อยจะดูในแง่มุมใดก็ได้ในมุมของขันมุมของธาตุมุมของยตนะมุมของอินทรีย์มุมของอริยสัจมุมของปฏิจจสุบารก็ได้ปฏิจจสุบาทก็มีแต่รูปนามทั้งนั้นเอาวิชาเป็นรูปหรือนามเป็นน้ำสังขารเป็นอะไรสังขารเป็นตัวเจตนาตัวกรรมเป็นน้ำตัววิญญาณเป็นนามใช่ไหม นามรูปก็เป็นทั้งนามทั้งรูปชื่อมันก็บอกเลยคิดมากชาติแหละชาติก็นามรูปนั่นแหละชาติความได้มาซึ่งอายตนะนก็มีแต่เรื่องรูปกับ น, นามนะเรียนไปนะค่อยๆเรียนเชิญไปทันข้าว